๙๓อาปาติอวิกรณวิธีว่าโดวยวิธีเปิดเผยอาบัตเรื่องระลึกอาบัตได้เมื่อจะยกปาฏิโมกขึ้นแสดงข้อหนึสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งระลึกอาบัตได้เมื่อกําลังยกปาฏิโมกขึ้นแสดงภิกษุนั้นมีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุมีอาบัตติดตัวไม่พึงทำอบูโบสถ ดังนี้ก็เราต้องอบัตแล้วจะเพึงปฏิบัติอย่างไรเนอภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้เมื่อกําลังยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงภิกษูตระลึกอาบัติได้ภิกษุนั้นพึงบอกภิกษุใกล้เคียงอย่างนี้ว่าผมต้องอับัติชื่อนี้ขอรับผมลุกจากที่นี่แล้วจะทํำคืนอับัตินั้นแล้วทำโอเบสด ฝังปาติโมกแต่ต้องไม่ทําอันตรายต่ออุโบสถเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยเมื่อกําลังยกปาติโมกขึ้นแสดงแม่แน่ใจในอาบัตภิกษุทั้งหลายอันหนึง่งในกรณีนี้ภิกษุมีความไม่แน่ใจในอาบัตเมื่อกําลังยกปาติโมกขึ้นแสดงภิกษุนั้นพึงบอกภิกษุใกล้เคียงอย่างนี้ว่าผมมีความไม่แน่ใจในอาบัตชื่อนี้ขอรับเมื่อผมหมดความไม่แน่ใจจะทําขึ้นอาบัตนั้น แล้วทำอุโบสถฟังปาติโมกแต่ต้องไม่ทำอันตรายต่ออุโบสถเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัย